บทนำสวรณภูมิแดนแห่งกาสาวพัทพระเจดีย์องค์นั้นสูงสง่าสีทองสุกสกาวสะท้อนแสงสุริยาเมื่อจวนอัสดงดูเลื่อมปลายเป็นเงางามวาววับจับตาชวนให้ระลึกถึงพระผู้บริสุทธ ซึ่งเจดีนี้เป็นองค์แทนเงาแดดยามสายันหาการทอดยาวออกสู่บุรพธิตซึ่งมีถนนกว้างใหญ่ยาวเหยียดสุดสายตาโพใบนิมิตหมายแห่งปัญญาอันรุ่งเรืองยืนต้นสงาเคียงพระมหาเจดีอันศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายต้นกิ่งใบไหวไห น, หน้อยเมื่อพระพายรำเพยยามย่ำสนธยา ศิลปกรรมอันวิจิตและภาพเขียนซึ่งมีลวดลายงามตาณบริเวณปูชนียสถานแห่งนี้มีขึ้นด้วยแรงศรัทธาอันดื่มดำของมวลชวนผู้สนใจและเคารพต่อพระพุทธวาทพันไม้หลายหลากปลูกเรียงรายให้ความร่มรื่นเย็นแก่ผู้สัญจรผ่อนพักและ ดูเหมือนจะเป็นเครื่องประกอบประดับเจดีย์ให้ดูรุ่งเรืองอัมพายยิ่งขึ้นด้านหน้าแห่งพระมหาเจดีย์นี้พระพุทธปฏิมากรสีทองงามรุ่งเรืองมีฤทธิร์รุ่งโรดในการบรรดานใจของประชากรให้เลื่อมสายและก้มลงกราบด้วยดวงใจอันเปี่ยมด้วยสมนัตปีติปราโมทและ ดูเหมือนจะเป็นอนุสาวรีที่คอยกระตุ้นจิตให้คิดกลีกชั่วบำเพนตนเป็นคนดีอยู่ชั่วจิรังการมองจากฐานแท่นองค์พระมหาเจดีมาทางด้านตะวันออกจะเห็นลานหญ้ากว้างขาจีพันถูกตัดและตกแต่งเรียบร้อยดูสะอาดตาประหนึ่งพรมสีเขียวซึ่งจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ถวยนาคอ น, นั่งสนทนากันเป็นกลุ่มตามอัธยาศัย นั่งจนเมื่อิขบแล้วก็ลุกขึ้นจูงมือบุตรน้อยชมสวนดอกไม้นานาพันธ์ก็มีอยู่นานๆครั้งเขาจะแหงนขึ้นดูพระมหาเจดีด้วยความรู้สึกมีความสุขและประทับใจประชาชนผู้นั่งในยวดยานซึ่งผ่านไปมาอยู่ไม่ได้ขาดต่างยกหัดขึ้นอภิวาทน้อมนามสการองค์ปูชนียสถานด้วยอาการคารวะ อย่างสูงยิ่งช่างหน้าประหลาดและพิสวงอะไรเช่นนั้นอิดหรือปูนหรือสีทองหรือที่น้อมใจประชาชนให้เคารพ บ, บูชาหามิได้ไม่ใช่ทั้งนั้นอนุภาพแห่งความดีอันเป็นอมตะของจอมศาสดานั่นต่างหากเล่าที่ทำให้สิ่งเกี่ยวข้องพรอยศักดิ์สิทธิ์ไปด้วย พระเจดีย์ตระห ง, ง่านอยู่นใจกลางนครแห่งนั้นบัทนี้กลายเป็นสิ่งสถิตยอยู่กลางใจของมวลชนเสแล้วเขาถนอมห่วงแหนเคารพบูชาสักการะด้วยดวงใจที่ศรัทธามั่นพระมหาเจดีย์นี้สร้างอุทิศพระมหาสมณะโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นที่สูงสุดและเป็นที่พึ่งของโลกอย่างแท้จริง ยามราตรีที่มีหมู่ดาวประดับฟ้าพระราชาธมิการาชแห่งกรุงสยามได้เคยทอดพระเนตรเห็นแสงเรืองรองเป็นฉัพพนลังสีเปร่งออกจากองค์พระเจดีย์นี้พระองค์ไม่ได้ทรงเห็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ได้ทรงชี้ชวนให้มุกอมาต ร, ราชบริหารอื่นๆได้ดูด้วยทุกคนเห็นแล้วอดระทึกใจไม่ได้ พร้อมๆกันนั้นเขาก็ประนมมือน้อมนมัสการองค์พระเจดีด้วยความเลื่อมใสสุดจะประมาณไม่ว่าพระพุทธศาสนาจะแผ่ไปณที่ใดพระสถูปเจดีก็เสียดยอดงอกงามตามขึ้นมาด้วยและสิ่งที่แผ่กระจายอยู่ทั่วพุทธสถานมณฑลก็คือพุทธานุภาพพุทธานุภาพเป็นอนันตเกศไม่มีที่สิ้นสุด องพระเจดีแห่งนี้เป็นปฐมมเจดีซึ่งอย่างฝังรากลงพร้อมๆกับที่พระพุทธศาสนาได้ฝังรากลงในดวงใจของชาวสุวรรณภูมิและตั้งแต่บัดนั้นมาธรรมธาราก็ไหลหลากไปทั่วพื้นแผ่นดินสยามแทรกซึมไปทั่วทุกหัวระแหงให้ความชุ่มเย็นแก่ดวงใจทุกดวงที่รับธรรมธารานี้ไว ประชาชนชาวสยามถูกสอนให้มีความเอื้ออารีต่อคนทั่วไปโดยเฉพาะอาคันตุกะชาวต่างประเทศผู้มาเยือนได้รับความอบอุ่นใจยิ่งนักเมื่อเข้าใกล้และอยู่ร่วมด้วยชาวสยามความเห็นแก่ตัวถูกปลดเปลื้องออกหลายชั้นความเสียสละทนไม่ได้ต่อความทุกข์ของผู้อื่นเข้ามาแทนที่ ในหลายประเทศมารดาบิดาและผู้อุปการะต้องช้ำจิตระทมใจเพราะไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดูจากลูกหลานแต่ในสยามประเทศบิดามารดาถูกยกย่องเชิดชูบูชาสักการะถูกจัดไว้ในฐานะเป็นเทพของบุติดาและเป็นพระอรหันต์ซึ่งบุตริดาจะต้องเคารพ บ, บูชาอย่างสูงยิ่ง มารดาบิดาเฝ้าดูแลเอาใจใส่บุตรธิดาของตนจนกว่าชีวิตจะแตกดับแม้ในระยะต่อมาก็ไม่ได้เลี้ยงดูด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องอุปกรณ์แห่งชีวิตอื่นๆแต่น้ำใจที่จดจอ่อต่อลูกนั้นมีได้ลดลงเลยสมณพรามณาจารย์ได้รับเกียรติและสิทธิพิเศษหลายประการ ในฐานะเป็นผู้ถือประทีปสองทางแก่มวลชนได้รับการเคารพบูชาและการเลี้ยงดูควรแก่อัตภาพและฐานะแห่งตนความโอบอ้อมอารียิ้มแย้มแจ่มใสในดวงใจของชาวสยามรวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามใครเล่าจะปฏิเสธว่ามิใช่เพราะอิทธิพลแห่งพุทธศาสนาทั่วพื้นแผ่นดินทองอันเป็นรูปขวาน ซึ่งได้นามว่าสยามประเทศนี้เป็นพื้นที่ซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารหลายหลากในน้ำมีปลาในนามีข้าวณที่นี้เองมเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธโววาดได้ถูกหวานลงในดวงใจแล้วอย่างรากลึกมั่นคงและแผ่ปกคลุมทั่วไปแม้กระทั่งในหัวใจมหาโจรผู้เหี้ยมโหดก่อนจะลงมือโจลกรรม เขายังต้องภาวนาถึงพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณทุกบ้านทุกเรือนทุกหนทุกแห่งที่มีอาคารพระพุทธปฏิมากรรูปแทนองค์พระมหาสมณะโคดมจะประดิษฐานอยู่ที่เคารพสักการะแม้กระทั่งในทุ่งนาและป่าเขาประชาชนก็ยังนำพระรูปของสมเด็จพระบรมศาสดาติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นที่ระลึกให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งพระองค์เขาจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งถ้าไม่มีพระรูปแห่งจอมาศาสดาพระองค์นั้นติดตัวไปเมื่อยามสัญจรพระมหากษัตริย์เจ้าทุกยุคทุกสมัยและทุกพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราษสนุปถัมภพกอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ทรงรู้สึกเป็นพระเกียรติที่ได้ทรงรับตำแหน่งนี้ยิ่งเสียกว่าความเป็นจอมคนในแผ่นดินทั่วพื้นแผ่นดินสยามมีอารามโบสถ์วิหารละลานตาช่อฟ้าใบารากาสุขสายแปลว่าด้วยศิลปกรรมอันบันเจิดเสียงระกังย่มในวันอัฐมีและปัณณรศีดิธีที่8ดค่ำส15้าค่ำ ดังกังวานเหมือนจะติดต่อเป็นเสียงเดียวกันนี่คือสั ญ, ญลักษณ์ของเสียงแห่งความสงบซึ่งแผ่ไปทั่วบริเวณมณฑลกล่าวโดยเฉพาะในวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันมาฆาบบูชาหรือวิสาขาบูชาเมื่อท้องฟ้าสีขาวทาบยาวจากทิศเหนือจะรดทิศใต้แสดงว่าอารุณรุ่งกำลังจะมาถึง ประชาชนลุกขึ้นเพื่อเตรียมขาธนิยโภชนิอาหารสำหรับถวายแก่สมณะในปุพพันหัการสีแดงยาวทาบของฟ้าด้านตะวันออกแทนสีขาวพระอาทิตย์ดวงกลมโตโคโจรขึ้นมาจากขอบฟ้าแล้วสาดแสงอันอบอุ่นลงสู่เมธนีดนณเวลานั้นตามบททจรวิถี จะมองเห็นบุรุษในรูปลักษณะและวัยต่างๆห่อหุ้มกายด้วยกาสาวพัด ส, สีเหลืองมนเคลื่อนย้ายไปด้วยอาการสำรวมมีในตาทอดลงต่ำมีภาชนะกลมๆสีดำในมือเดินรับอาหารด้วยอาการสงบและอวยพรแก่ผู้ถวายอยู่ในใจท่านเหล่านี้เป็นผู้รู้ดีของถววชนในนามว่าภิกษุหรือพระ ประเทศสยามแดนนี้คือดินแดนแห่งกาสาวพัทสั ญ, ญลักษ์แห่งความบริสุทธิ์ผ่องใสกาสาวพัทเหลืองอารามงามอัมพายแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วเสมือนประดูบานปลายฤดูหนาวประชาชนแต่งกายอย่างสวยงามเป็นพิเศษคอยถวายอาหารเป็นแถวทิวแล้วยอ่อกายลงนมัสการนักพรตผู้รับอาหารเหล่านั้น เขารู้สึกชุ่มชื่นไปตลอดวันนี่เองที่พระศาสดาตรัสว่าอย่า ก, กลัวบุญเลยคำว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขและว่าบุญให้ความสุขข้างกลางวันและกลางคืนเมื่อที่วาสิ้นสุดลงรัชนีกรกลมโตสีงามก็โคจรขึ้นสู่ขอบฟ้าประชาชนตกแต่งร่างกายสวยงามถือดอกไม้ทูบเทียนเข้าสู่อารามต่าง เพื่อสักการะพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนานี้บริเวณอารามอบอวนไปได้วยกลิ่นธูปควันเทียนและกลิ่นดอกไม้แสงอันเรืองรองของเทียนในวันนั้นติดต่อเป็นพืชเดียวกันมองจากเบื้องบนจะปรากฏเหมือนกองอักขีใหญ่ล้อมรอบปูชนียสถานดวงใจทุกดวงที่เวียนพระอุโบสถอยู่นั้น น้อมระลึกถึงพระคุณอันมหาประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนจบสามรอบแห่งทักษิณาวัดในที่สุดเวลาแห่งการแสดงธรรมเทศนาก็มาถึงพระมหาเถ ร, ร่าก้าวขึ้นสู่ธรร ม, มาติอันวิจิตด้วยอาการอันสงบสำรวมและมองดูพุทธบริษัทด้วยสายเนตรที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาการุณา ธรรมเทศนาเริ่มต้นด้วยชาติกำเนิดตระกูลแห่งพระตถาคตเจ้าและดำเนินต่อไปถึงชีวประวัติของพระองค์แสดงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณอันกว้างใหญ่ดุดม่วงมหันนบหาขอบเขตไม่ได้พุทธศาสนิกต่างดื่มดำในรสพระธรรมและน้อมนำกระแสใจไปตามบทพรรณน า, นา พระคุณของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นในโอกาสและราตรีเช่นนี้จะมีใครบ้างเล่าระลึกถึงจอมจักรพรรดิพระองค์หนึ่งผู้ได้ส่งมเมล็ดพืชแห่งพระพุทธศาสนาสั ญ, ญลักษณ์แห่งความสงบมาสู่สยามประเทศสุวรรณภูมิและดินแดนโดยรอบแห่งชมพูทวีป พ, พระองค์ผู้วางหอกและดาบมาจาับคัมภีร์ทางศาสนา ทรงสละรถศึกมาขึ้นสู่รถธรรมอันประกอบด้วยสีขาวล้วนทรงพอพระทัยในเสียงสวดมนต์ภาวนาแทนเสียงม้ารถและช้างศึกในสมรภูมิทรงเปลี่ยนพระทัยจากการหมุนล้อรถมาหมุนล้อธามคือธรรมจักอันประเสรศิฐทรงเปลี่ยนพระนามจากจันทาโศกซึ่งมีความหมายว่า อาโศกผู้ดุร้ายมาเป็นธรมาโศอาโศกผู้ทรงธรรมอาจจะมีจอมจกักรพรรดิหรือมหาราชพระองค์เดียวนี้กระมังที่อิ่มในชัยชนะทรงถอดเกราะและวางดาบอย่างแท้จริงหลังจากประสบชัยชนะอันใหญ่หลวงแล้วมีจกักรพรรดิและกษัตริย์มากหลายเมื่อประสบชัยชนะแล้วลุกรานเรื่อยไป จนในที่สุดก็ต้องพบกับความแตกดับและล่มจมจอมจักรพัทอโซผู้ทรงใช้ตราธรรมจักรเป็นตราแผ่นดินผู้ประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงด้วยการแผ่ธรรมานุภาพสุวรรณภูมิและสยามประเทศได้ดื่มรสพระธรรมอันเป็นอมตะมาจนกระทั่งบัดนี้ด้วยน้ำพระทัยของราชาธิราชพระองค์นั้น พระพุทธศาสนายังดารงอยู่คู่โลกเพียงใดเกียรติคุณของจอมจกักรพรรดิอโศกก็ยังเคียงคู่ไปกับความสนึกของปวงชนเพียงนั้นมาเถอะมาลงสู่สะชีวิตของจอมราชาผู้มีพระนามก้องโลกว่าจอมจกักรพรรดิอโศก